จเจริญพรท่านพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตฝ่ายบุญฝ่ายกุศล ท, ทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่สิบมีนาคมพุทธศักราช2550เป็นวันที่พวกเราผู้มีความศรัทธามีความเชื่อมัน่นในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ได้มาวัด เพื่อมาบำรุงชีวิตจิตใจของเราให้มีความสุขให้มีความเจริญให้มีความก้าวหน้าให้มีความอิ่มให้มีความพอเพราะจิตใจของเราก็เป็นเครื่องหนึ่งของร่างกายของเราชีวิตของเรานั้นประกอบขึ้นสองส่วนคือมีกายและมีใจ กายมีความจําเป็นกับปัจจัยสี่เช่นอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคใจก็มีความจําการมีความจําเป็นกับปัจจัยสี่ของใจเหมือนกันใจก็ต้องมีอาหารมีที่อยู่อาศัยมีเครื่องนุ่งหม่มมียารักษาโรคใจ การที่เรามาวัดมาประกอบคุณงามความดีต่างๆไม่ว่าจะเป็นการกรบาบไหวบูชาพระรัตนตรยัยการถวายทานทำบุญตักบาตรการรักษาศีลการปฏิบัติธรรมการฟังเทศฟังธรรมเป็นการกระทาที่ให้ปัจจัยสี่ ทางด้านจิตใจถ้าเราได้ประกอบกิจกรรมเหล่านี้อย่างต่อเนื่องแล้วจิตใจของเราก็จะมีอาหารหล่อเลี้ยงมีเสื้อผ้าอภรร์ที่สวยงามไว้สวมใส่มีที่พึ่งพาอาศัยหลบภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายมียารักษาโรคยาที่ใจ เจ็บไข้ได้ป่วยทุกทรมานจิตทรมานใจเพราะ <c oughs> พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นพุ่งมาที่ใจเป็นหลักมาดูแลรักษาใจของเราเป็นหลักเราจึงควรให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างสม่าเสมอ แล้วใจของเราก็จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขอยู่อย่างสบายอยู่อย่างอิ่มเมียงพอไม่มีทุกข์อะไรเข้ามาเหยียบย่ำทำลายจิตใจของเราการให้ทานก็เป็นการให้อาหารเวลาเราให้ทานแล้วเราจะมีความอิ่มเอิบใจมีความสุขใจมีความพอใจ นี่เป็นการให้อาหารกับใจการรักษาศีลก็เป็นเหมือนกับการให้เสื้อผ้าอภารร์ที่สวยงามไว้สวงใส่เพราะคนที่มีศีลเช่นเป็นคนที่ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตรักทรัพย์ประพฤติผิดบราเวณีพูดปลดมดเทศเสพสุรายาเมาจะเป็นคนที่ น่าชื่นชมยินดีน่ารักเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนไม่เบียดเบียนผู้อื่นนั่นเองคนเราจะสวยที่ความสวยที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่ร่างกายไม่ได้อยู่ที่การแต่งหน้าทาปากทำผมทำเล็บใส่เสื้อผ้าที่สวยงาม ซึ่งก็เป็นความสวยงามอย่างหนึ่งแต่เป็นความสวยงามที่ไม่ได้มีความประทับกับจิตใจเหมือนกับความสวยงามทางศิลธรรมคนที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงามแต่งเนื้อแต่งตาแต่งเนื้อแต่งตัวสวยงามแต่ถ้าความประพฤติไม่ดีเสียอย่างก็จะเป็นที่ไม่น่าประทับใจ ไม่น่าชื่นชมยินดีสำหรับผู้อื่นแก่ผู้อื่นเพราะว่าคนเราทุกคนนั้นไม่มีใครอยากจะอยู่ใกล้คนที่ไม่มีศีลมีธรรมไม่อยากจะอยู่ใกล้คนที่ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดมดเท็ดเสพสุรายาเมาเพราะเป็นคนที่น่ารังเกียจถึงแม้จะ สวยงามทางด้านร่างกายแต่ใจไม่สวยแล้วก็หมดความหมายไปในทางตรงกันข้ามคนที่แม้จะไม่สวยงามทางร่างกายแต่มีความสวยงามทางจิตใจก็จะเป็นคนที่น่ารักน่าชื่นชมยินดีน่าคบค้าสมาคมเพราะอยู่กับคนแบบนี้แล้ว มีแต่ความสบายอกสบายใจนั่นเองเราจึงต้อง <c oughs> ให้ความสำคัญต่อการรักษาศีลให้ได้ถ้าเราอยากจะเป็นคนสวยงามอยากจะเป็นคนที่มีผู้นรักชื่นชมยินดีอยากจะคบค้าสมาคมด้วยความสวยงามอยู่ตรงนี้ ความสวยงามทางร่างกายก็ไม่จีรังถาวรเพราะร่างกายจะต้องค่อยเสื่อมไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งก็จะกลายเป็นคนแก่คนชราซึ่งเราก็รู้อยู่ว่าไม่มีใครเห็นคนแก่คนชราว่าเป็นคนสวยงามเหมือนกับคนหนุ่มคนสาวแต่ความหนุ่มสาวมันเป็นสิ่งที่ไม่จีรังถาวร มันจะต้องค่อยๆผ่านไปหมดไปจนในที่สุดก็จะกลายเป็นคนแก่คนชราไปความสวยงามที่มีอยู่กับร่างกายก็จะหมดไปถ้าไม่มีความสวยงามทางจิตใจแล้วเราจะเป็นคนที่ว้าเหวไม่มีเพื่อนไม่มีฝูงเพราะไม่มีใครจะคบค้าสมาคมกับเราร่างกายก็ไม่สวย ใจก็ไม่สวยก็เลยไม่มีอะไรที่น่าประทับใจแต่การที่เราจะสร้างความสวยงามทางจิตใจได้ต้องใช้เวลาพอสมควรเราจึงต้องพยายามทำเสียแต่บัดนี้เป็นเหมือนกับการปลูกต้นไม้ที่กว่าจะออกดอกออกผลให้ก็จะต้องใช้เวลาที่ยาวนาน คนเราสุภาษิตก็มีพูดไว้ว่าเวลาที่เราจะพิสูจน์คนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เพราะเวลาถ้าถ้ารู้จักกันใหม่ๆถึงแม้จะแสดงความดีงามมากมายเพียงไรมันก็เป็นการแสดงเท่านั้นเองยังไม่แน่ใจว่าเป็นความดีงามที่แท้จริงที่ออกมาจาก ในจิตในใจหรือไม่แต่ถ้าสามารถแสดงความดีงามไปได้เรื่อยๆตลอดเวลาอย่างสม่ำเสมอเสมอต้นเสมอปลายนั่นแหละถึงจะรู้ว่าเป็นคนดีเป็นคนมีศีลมีธรรมดังนั้นจึงต้องใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนระยะทางเป็นเครื่องพิสูจน์มา เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนดังนั้นถ้าเราอยากจะแต่งชีวิตของเราให้สวยงามให้น่ารักเราก็ต้องทำเสียแต่วันนี้และต้องทำอย่างสม่ำเสมอเสมอต้นเสมอปลายไม่ใช่รักษาศีลเพียงวันพระแล้วอีกหกวันก็ทิ้งไป ไปทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามถ้าทำอย่างนี้ก็เหมือนกับการปลูกต้นไม้ไว้เพียงวันเดียวแล้วก็ถอนมันออกมาแล้วอีกหกวันค่อยฝังค่อยปลูกลงไปในดินอีกทำอย่างนี้ต้นไม้ก็จะไม่เจริญงอกงามโตเป็นต้นไม้ใหญ่ออกดอกออกผลได้ฉนันใดความสวยงามด้วยศีลธรรมก็เป็นอย่างนั้น จะรักษาศีลเพียงวันเดียวแล้วจะให้เรากลายเป็นคนน่ารักเป็นคนที่สวยงามย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะเราไม่รักษาศีลอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอนั่นเองการที่เราสมาทานศีลกันทุกวันพระนี้ไม่ได้หมายถึงให้เรารักษาศีลเพียงแต่เฉพาะในวันพระเท่านั้น แต่เป็นการทบทวนศีลที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้เพื่อเราจะได้ไม่ลืมนั่นเองถ้าเราไม่ทบทวนกันอยู่เรื่อยๆเผลอไปสักระยะหนึ่งมันก็จะหายไปจากจิตจากใจพระภิกษุสงฆ์มีศีลอยู่2อรอย่ข้อท่านก็ยังต้องมีการทบทวนกันทุกส5วันทุก15วันพระสงฆ์จะต้องร่วมกันประชุมหนึ่งครั้ง แล้วมีพระรูปหนึ่งจะเป็นผู้สวดศีลทั้ง227ข้อให้ให้ทราบกันให้รู้กันเพื่อจะได้ไม่หลงไม่ลืมนั่นเองสิ่งใดก็ตามถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังอยู่เรื่อยๆแล้วสิ่งนั้นก็จะอยู่ห่างไกลจากใจของเราและจะหายจะจางหายไปหมดสิ้นไปถ้าเราไม่ลำลึกถึง สิ่งเหล่านั้นดังนั้นเรื่องศีลเรื่องธรรมเป็นสิ่งที่ดีที่งามเป็นสิ่งที่เราควรลำลึกถึงอยู่เสมอเวลาจิตใจเราลำเลึกถึงศีลถึงธรรมจะทำให้เรามีความสงบจะทำให้เรามีความสุขโดยเฉพาะลำลึกถึงศีลและธรรมที่เราที่มีอยู่ในตัวของเราจะทำให้เรามีความภูมิใจในตัวของเราว่าเราเป็นคนดี และในขณะเดียวกันก็จะทำให้เราเห็นว่ามีข้อใดบ้างที่เรายังบกพร่องอยู่ที่เรายังรักษาไม่ได้อยู่เราก็จะได้รีบปรับปรุงแก้ไขรีบรักษาเสียถ้าเราพิพจารณาเห็นว่าเร า, ย, ายังยิงยังฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอยู่เช่นยังตบยุงยังฆ่ามแมลงอยู่ เราก็ต้องตั้งเป้าว่าต่อไปเราจะต้องไม่ตบยุงไม่ฆ่ า, าแรงถ้าเรายังหยิบของคนนู้นคนนี้ไปโดยไม่ได้ขออนุญาตจากเขาเราก็ต้องเปลี่ยนนิศสัยต่อไปถ้าเป็นของของคนอื่นไม่ใช่ของเราเราต้องขออนุญาตจากเจ้าของเขาก่อนถึงค่อยหยิบมาถ้าเรายังชอบไป ยุ่งเกี่ยวกับสามีกับภรรยาของผู้อื่นเราก็ต้องหยุดเราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมของเราถ้าเราอยากจะมีความสัมพันธ์ก็ต้องทำให้ถูกต้องตามหลักประเพณีต้องไปสู่ขอกันต้องมีงานแต่งงานกันแล้วอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาเป็นผัวหนึ่งเมียเดียว เท่านี้ก็พอแล้วความสุขสำหรับมนุษย์เกี่ยวกับเรื่องการมีเพศสัมพันธ์มีสามีมากมีภรรยามากไม่ได้สร้างความสุขให้มีมากขึ้นแต่กลับสร้างความทุกข์ให้มีมากยิ่งขึ้นไปอีกรองมีสามีสองคนดูลองมีภรรยาสองคนดูแล้วจะรู้ว่าเป็นอย่างไรแต่ความหลงนั้นมักจะหลอกใจให้คิดว่าเวลาอยากจะได้อะไร เราได้มาแล้วจะมีความสุขแต่ไม่เคยคิดว่าความอยากนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่มีความคำว่าพอได้มาเท่าไหร่ก็จะไม่รู้สึกว่าพอได้แล้วก็อยากจะได้เพิ่มขึ้นไปอีกคนบางคนจึงมีสามีมีภรรยาเป็นโหลเป็นสิบก็เพราะความอยากเป็นอย่างนี้นั่นเองมันไม่ได้ให้เรา อิ่มให้เราพอกับสิ่งที่เราได้มาเราจึงต้องใช้ศีลของพระพุทธเจ้าเป็นกรอบเป็นรั้วคอยควบคุมความอยากของเราไม่ให้ไม่ให้เตลิดเติบไม่ให้เตลิดเปิดเปิงพาเราไปสู่ความทุกข์ความวุ่นวายใจอย่างไม่รู้จักจบจากสิ้นถ้าเรามีสามีคนเดียวภรรยาคนเดียว แล้วเรามีความซื่อสัตย์ต่อกันชีวิตของคารวาสจะมีความสุขมากเพราะไม่มีอะไรจะประเสริฐเท่ากับการมีสามีเดียวมีภรรยาเดียวต่างคนต่างมีความซื่อสัตย์ต่อกันมีความรักมีความเคารพกันอยู่ไปตลอดจนวันตายมีความสุขไปจนตลอดจนวันตายเลย จึงอย่ามองข้ามความสําคัญของศีลข้อสามนี้ในสังคมที่ไม่มีศาสนาทุกวันนี้เขาจะไม่เห็นความสําคัญเหล่านี้เขาจะคิดไปตามภาษาของเดรรฉานคืออยากจะได้อะไรอยากจะเสพกับใครก็จะทําไปไม่ต่างกับเดรรชานเลยเดรรฉานเขาไม่มีงานแต่งงาน เขาไม่มีสามีเดียวภรรยาเดียวเขาเจอใครที่ไหนเมื่อไหร่เมื่อเขาเกิดความต้องการเขาก็จะมีความสัมพันธ์กันพอไม่มีความต้องการแล้วต่างคนก็ต่างไปกันคนละทิศคนละทางชีวิตไม่มีความผูกพันกันแล้วเราจะมีความมั่นคงในชีวิตของเราได้อย่างไรเพราะมนุษย์นี้ต้องอยู่เป็นครอบครัว อยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนเพื่อพึ่งพาอาศัยกันเพราะคนเราทุกคนสักวันหนึ่งก็ต้องแก่ลงก็ต้องอาศัยลูกหลานอ า, อาศัยเพื่อนฝูงญาติสนิทมิตรสหายคอยดูแลคอยช่วยกันแต่ถ้าต่างคนต่างไม่มีความผูกพันกันไม่มีความซื่อสัตย์ต่อกันต่างคนก็จะอยู่ การเยี่ยงเดรัจฉานเมื่อถึงเวลาที่ตกทุกข์ได้ยากลําบากลําบนเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะไม่มีใครมาดูแลไม่มีใครมาช่วยเหลือเราเพราะเราไม่ได้ดําเนินชีวิตแบบที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ดําเนินนั่นเองการที่เราจะมีศีลธรรมได้นั้นเราต้องมีคุณธรรมหลายอย่างด้วยกัน อย่างหนึ่งก็คือต้องมีจาคะการเสียสละเพราะเมื่อเราอยู่ร่วมกันเราจะเอาแต่ใจของเราไม่ได้เราต้องคิดถึงใจของคนอื่นด้วยต่างคนต่างต้องเสียสละถ้าต่างคนต่างเสียสละแล้วเวลาอยู่ร่วมกันจะมีความสุขแต่ถ้าต่างคนไม่มีการเสียสละมีแต่จะเอาใจของตัวเอง ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเกิดความแตกแยกสามีภรรยาที่ต้องอย่าร้างกันไปก็เพราะไม่มีจาระะไม่มีการเสียไม่มีความเสียสละต่างคนต่างจะเอาตามใจของตัวเองถึงแม้จะเคยรักกันขนาดกื่นกินกันเลยทีเดียวก็ตามแต่เมื่ออยู่กันไปสักระยะหนึ่งแล้วความรักแบบนั้นก็จะจางหายไป ถ้าไม่มีความรักทางด้านศีลธรรมทางด้านจิตใจเข้ามาทำหน้าที่ต่อแล้วชีวิตคู่ก็อาจจะไม่สามารถอยู่ไปได้โดยตลอดจะอยู่กันร่วมกันไปได้ตลอดนั้นต้องมีจาคะาการเสียสละให้ให้แก่กันและกันเอาใจเขาใส่ใจเราเขาอยากจะได้อะไรเราอยากจะได้อะไรก็ผัดกัน วันนี้ทำเพื่อเขาพรุ่งนี้เขาทำเพื่อเราอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการเสียสละกันแต่ถ้าเราจะเอาทำเพื่อเราไปตลอดแล้วใครก็จะทนอยู่กับเราได้หรือถ้าเขาให้เราทำตามใจเขาไปตลอดเราก็จะทนอยู่กับเขาไปไม่ได้ตลอดเช่นเดียวกันเราต้องมีการให้ให้แก่กันและกัน เวลาที่เขาอยากจะได้เราก็ให้เขาเวลาเราอยากจะได้เขาก็ให้เราถ้าอย่างนี้ก็จะอยู่กันไปอย่างยั่งยืนอย่างเป็นสุขนอกจากนั้นท่านยังสอนว่าต้องมีสัจจะคือมีความซื่อสัตย์ต่อกันไม่ควรที่จะโกหกหลอกลวงกันมีอะไรก็ควรจะพูดไปตามความเป็นจริง ถ้าเรามีความซื่อสัตย์เราก็จะไม่กล้าไปทําในสิ่งที่ผิดนั่นเองผิดศีลผิดธรรมเราจะไม่กล้าไปแอบมีอะไรที่ข้างนอกกับคนนั้นกับคนนี้เพราะเมื่อถึงเวลาที่จะต้องตอบคําถามเราถ้ามีความซื่อสัตย์เราก็จะต้องพูดความจริงเมื่อเรารู้ว่าเราต้องพูดความจริงเราก็จะไม่ไปทําในสิ่งที่เสียหาย เพราะเรารู้ว่าถ้าเราทำแล้วแล้วเราไม่แล้วเราไ ม, ไม่ไม่อยากจะบอกเขาเราก็จะต้องเสียสัจจะเสียความซื่อสัตย์ไปด้วยแต่ถ้าเรามีความซื่อสัตย์แล้วมันก็จะบังคับเราไปในตัวทุกครั้งเวลาที่เราจะทำอะไรเราจะคิดก่อนเสมอว่าเราจะสามารถตอบคำถามนี้ให้กับผู้อื่นได้หรือเปล่า ถ้าเขามีความสงสัยในพฤติกรรมของเราว่าเราทำในสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่นี่คือคุณธรรมที่สองที่ควรจะมีคือความซื่อสัตย์ต่อกันและคุณธรรมขั้นที่สามก็คือให้มีขันติคือความอดทนเพราะชีวิตของคนเรานั้นมันไม่ได้เป็น ลอยอยู่บนกลีบดอกกุหลาบเสมอไปบางทีมันก็มีกรดมีหนามมีอุประสาทมีความทุกข์ยากลำบากเข้ามาเวลาที่มีความสุขนั้นมันจิตใจเราสงบสบายได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่เวลาที่ทุกข์ยากลำบากเรายังรักษาความสงบความเป็นปกติของใจเราได้หรือเปล่า หรือเราเริ่มคิดจะหาทางออกที่ไม่ถูกเสียแล้วเช่นถ้าเราอดอยากขาดแคลนเราจะทนอยู่กับคนที่เราเลือกเป็นคู่ครองของเราได้หรือเปล่าตอนที่อยู่กันใหม่ๆไม่อดอยากขาดแคลนมีครบถ้วนบริบูรณ์ทุกอย่างแต่วันหนึ่งเกิดมีการขาดแคลนขึ้นมามีความทุกข์มีความยากลาบาก เราจะมีความอดทนที่จะร่วมอยู่กันต่อไปได้หรือไม่หรือคิดจะหาทางออกเอาตัวรอดทิ้งเขาไปอย่างนี้แต่ถ้าเรามีความอดทนแล้วเราก็จะสู้ต่อไปความอดทนก็ไม่ยากลําบากอะไรก็เพียงแต่ยอมรับความจริงว่าชีวิตของคนเรานั้นมีขึ้นมีลงเป็นธรรมดาแต่ใจของเรานั้นไม่ได้ขึ้นไม่ลงกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ ถ้าเรารู้จักรักษาใจของเราให้เป็นปกติอาจทำใจให้เป็นอุเบกขาด้วยการฝึกทำสมาธิไหว้พระสวดมนต์บริกรรมพุทโธพุทโธหรือกำหนดดูลมหายใจเข้าออกพยายามฝึกทำอยู่เรื่อยๆทุกวันทุกเช้าทุกเย็นหรือเวลาไหนที่มีเวลาว่างแทนที่จะไปเปิดดูโทรทัศน์ไว้อ่านหนังสือที่ไร้สาระ ลองมาทําจิตให้สงบให้เป็นอุเบกขาดูแล้วเวลามีปัญหาอะไรมีความทุกข์ยากลาบากอะไรเราจะสามารถใช้สมาธินี้มาเผชิญกับสิ่งต่างๆได้เพียงทําใจของเราให้นิ่งให้สงบให้เป็นอุเบกขาปล่อยวางเท่านั้นใจของเราก็จะไม่แบกไม่ทุกข์กับอะไร ความทุกข์มันอยู่ภายนอกเพียงแต่ใจเราหลงแล้วไปเอาความทุกข์ภายนอกมาแบกภายในใจของเราด้วยความอยากหรือด้วยความไม่อยากจ ะ, ะเผชิญกับมันไม่อยากเผชิญกับมันมันก็ทําให้หนัก อ, อกหนักใจอยากจะให้ความทุกข์ยากลําบากมันหายไปแต่มันยังไม่หายไปมันก็ทําให้เราหนัก อ, อกหนักใจเช่นเดียวกันแต่ถ้าเราไม่เอามันเข้ามาในใจของเรา ปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันจะทุกข์จะยากจะลาบากก็รู้ว่ามันทุกข์ยากลาบากก็อยู่กับมันไปโดยที่เราไม่ต้องไปอยากอะไรกับมันเราก็จะไม่รู้สึกหนักอกหนักใจเราจะรู้สึกเฉยๆเป็นธรรมดาไม่เดือดร้อนอะไรนี่คือการมีขันติเราควรที่จะฝึกด้วยการฝึกทำสมาธิ ไหว้พระสวดมนต์ทุกเช้าทุกเย็นบริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเวลาใดถ้าไม่มีความจําเป็นที่จะต้องคิดอะไร mm hmm. ก็ให้ระลึกถึงคําว่าพุทโธพุทโธไปภายในใจแล้วจะทําให้ใจของเรามีความร่มเย็นเป็นสุขไม่แบกไม่หามกับเรื่องราวต่างๆปล่อยให้เรื่องราวต่างๆนั้นอยู่ภายนอกใจอย่าไปดึงมันเข้ามา พอมันเข้ามาในใจแล้วมันทำให้มันหนักอกหนักใจคุณธรรมอีกข้อหนึ่งคือข้อสุดท้ายท่าน ส, สอนให้เรามีความอดอดกลั้นเมื่อกี้มีความอดทนความอดกลั้นก็คืออดกลั้นกับความรู้สึกต่างๆไม่ดีเช่นความโกรธเวลาเกิดความโกรธขึ้นมาเราต้องกลั้นมันอย่าปล่อยมันออกไปเวลามีความโลภ ก, ก็อย่าปล่อยให้มันออกไป เวลามีความหลงก็อย่าปล่อยให้มันแสดงออกมาเพราะมันจะทําให้เราไปกระทําในสิ่งที่เสียหายตามมานั่นเองเวลาเราเกิดความโกรธเราก็อยากจะทุบตีอยากจะทําลายสิ่งของต่างๆอยากจะทําลายบุคคลต่างๆเพราะเป็นอารมณ์ขอให้เรามองความโกรธว่าเป็นเหมือนเหมือนเมฆเมฆหมอกในท้องฟ้า มันไม่ได้อยู่ไปตลอดเดี๋ยวสักระยะหนึ่งมันก็พัดผ่านไปอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราก็เป็นอย่างนั้นจะโกรธหรือจะโลภหรือจะหลงก็ดีมันไม่ได้อยู่ไปตลอดเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเหมือนในขณะนี้เราไม่มีอารมณ์อะไรอยู่ในใจของเราไม่มีความโกรธไม่มีความโลภไม่มีความหลงเพราะตอนนี้เรากาลัง ได้ยินได้ฟังพรอธรรมคำสอนของพอพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเหมือนกับลมพายุที่คอยพัดความโลภความโกรธความหลงให้ออกไปจากจิตจากใจของเราถ้าเราเอาธรรมะคำสอนของพพระพุทธเจ้ามาเตือนใจเราอยู่เรื่อยเช่นเราได้ยินได้ฟังอะไรวันนี้เราก็นำอาเอากลับไปคิดคิดอยู่เรื่อยๆคิดอยู่บ่อยๆคิดจนมันเป็นนิสัย เวลาที่มีอะไรเกิดขึ้นมาเราก็จะ ม, มีธรรมะไว้คอยปัดเป่าสิ่งที่เป็นสิ่งที่สร้างความทุกข์สร้างความหนักอกหนักใจให้กับเราได้นี่คือสิ่งที่เราควรที่จะมีคือคุณธรรมทั้ง4ี่ประการคือจาคะการเสียสละ สัจจะความซื่อสัตย์ขันติความอดทนธรรมะความอดกลั้นถ้าเรามีคุณธรรมทั้งสี่ประการนี้แล้วเราจะสามารถรักษาศีลธรรมความดีงามให้อยู่กับเราไปได้ตลอดเพราะเราจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสงบของความเป็นอุเบกขา เราจะไม่โลภโมโทสันกับสิ่งต่างๆในโลกนี้สิ่งต่างๆที่นอกจากสิ่งที่มีความจําเป็นเท่านั้นที่เราจะแสวงหาเช่นเราต้องมีความเรามีความจําเป็นกับปัจจัยสเราก็หาปัจจัยสีมาด้วยความถูกต้องไม่ผิดศีลไม่ผิดกฎหมายเมื่อเราได้มาพอเพียงแล้วเราก็ไม่ต้องไป ดิ้นรนหามาอีกเอาเวลาที่เหลืออยู่มาสร้างซบรั์ภายในใจดีกว่าเพราะรั์ภายนอกนั้นต่อให้มีมากน้อยเพียงไรเมื่อถึงเวลาที่ต้องจากโลกนี้ไปแล้วก็จะไม่สามารถนําเอาติดตัวไปได้ไม่เหมือนกับรั์ภายในเช่นบุญกุศลที่จะติดไปกับจิตกับใจของเรา ที่จะทำให้เราได้ไปเกิดที่ดีที่จเจริญ ก, กว่าที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้จนในที่สุดจะพาให้เราไปถึงจุดที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตาสาวกทั้งหลายได้ดำนอนไปถึงได้ก็ต้องอาศัยเวลาว่างจากการทรมาหากินมาบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลอย่าง ในวันนี้ท่านมีเวลาว่างจากภารกิจการงานจึงมาวัดกันแทนที่จะไปแสวงหาทรัพย์ภายนอกหรือหาความสุขภายนอกก็หันเข้ามาหาทรัพย์ภายในและความสุขภายในที่เกิดจากการทําบุญทําทานจากการรักษาศีล จากการปฏิบัติธรรมจากการฟังเทศฟังธรรมเป็นการสะสมทรัพย์และความสุขที่จะไม่มีใครสามารถพรากจากเราไปได้เหมือนไม่เหมือนกับซรักย์ภายนอกที่เผลอๆนี้ไม่ดีก็จะมีคนอื่นมาพรากจากเราไปได้ความสุขภายนอกก็อาจจะถูกคนอื่นเขาพรากจากเราไปได้เช่น อาจจะถูกคนอื่นมาแย่งสามีหรือภรรยาของเราไปก็ได้มีคนอื่นมาแย่งทรัพย์สมบัติที่เราไม่อยู่ไปก็ได้แต่ทรัพย์ภายในใจคือบุญกุศลและความสุขภายในใจจะไม่มีใครสามารถมาแย่งมาพรากจากเราไปได้มันเป็นเหมือนเงาตามตัวเราเราไปที่ไหนมันก็ไปกับเรา ถ้าเรามีทรัพย์ภายในมีความสุขแล้วภพชาติของเราต่อไปก็จะเป็นภพชาติที่ดีจะวนเวีนยนอีแต่อยู่ในสุขติเพื่อเกิดเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทพบ้างเป็นพรหมบ้างแล้วในที่สุดก็ได้เกิดเป็นพระอริยบุคคลได้บรรลุเป็นพระอรหันต์หรือเป็นพระพุทธเจ้าไปนี่คือ สิ่งที่เราควรที่จะให้ความสำคัญเพราะถ้าเราไม่เช่นนั้นแล้วชีวิตของเราจะเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่รู้จักจบจากสิน้นถ้าเรามัวไปหาทรัพย์ภายนอกและไม่สนใจต่อเรื่องศีลธรรมเวลาเราตายไปเราจะเวียนว่ายตายเกิดทั้งในภพน้อยและภพใหญ่ถ้าทําบาป ท, ทากรรมก็ต้องไปตกนรกไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างสลับกับการไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทพ ขึ้นอยู่กับบุญกรรมที่เราทำกันในวันนี้แต่ถ้าเราทำแต่บุญอย่างเดียวสร้างแต่กุศลอย่างเดียวไม่ทำบาปทำกรรมชีวิตของเราภพชาติของเราต่อไปก็จะมีแต่เจริญขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงจุดสูงสุดในที่สุดดังนั้นจึงอยากจะให้ท่านให้ความสาคัญต่อการเจริญต่อการบําเพ็ญต่อการปฏิบัติ ตามพระธรรมคำสอนของ พ, พระพุทธเจ้าตามแต่กาลังส ต, สติปัญญาที่ท่านมีพยายามทำให้มากเท่าไหร่ได้ยิ่งดีเพราะไม่มีอะไรจะดีเท่ากับการนำเนินตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงขอฝากเรื่องราวเหล่านี้ให้ท่านน ำ, นำเอาไปพิดพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุข ที่จะตามมาต่อไปขอคุณพระศรีรัตนใจมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายจงปกป้องคุ้มครองรักษาให้ท่านทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญทั้งในทางโลกและในทางธรรมโดยทั่วหน้ากันเทอ